คณะนักศึกษาแพทย์จากสิริลาชเมื่อวันที่9มีนาคมพศออ2518ณวัดตาบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันนองทางเขาทอดสุขเป็นสิ่งที่สัตโลกตั้งใจให้มีขึ้นเป็นทึ้น ทำมาจากสงารส่วนก็คือปมขาดความสนใจในสิ่งที่จะให้เกิดผลประโยชน์ามตามความชอบใจผู้มความชอบใจนั้นอาจจะมีอะไรมอบกัดกันให้ชอบใจแะให้ทําไปตามสิ่งที่ชอบใจก็ได้ทุท่านทั้งหลายมาวันนี้่แสดงถึงความ เป็นของศานาซึ่งมีอยู่ตท่านเองแต่วท่านละทศาสนาถ้าพูดออกมาข้างนอกอย่างผิวเผินท่านเรียกว่ษาศาสนาธรรมคือธรรมสังขารสองขารพุทธศาสา มันเป็นปริยาของศาสตร์ศาสนาที่สแสดงให้โลกเห็นให้โลกได้ยินให้โลกเข้าใจตามปริยาหรืออาการของศาสาสนาที่แสดงอองกมาซึ่งพอจ ะ, สะแสดงได้แต่คําว่าทำอันแค่คือซึ่งศาสาสนาอันเป็นปริยานําออกมาสแสดงให้โลกทั้งหลายภาพนั้นเป็นสิ่งที่เราจะทราบ ก, กันได้โดยยาก เพราะฉะนั้นแม่ผู้นับถือศาสนาเองก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะทราบซึ่งในคำว่าธรรมและอาจจะก้หนดจีเทียนศาสนาทันเป็นกิจยานหนึ่งซึ่งแสดงออกมาจากคํานั้นในบางขณะของจิตก็ได้ โดยไม่ต้องพูดถึงว่าผู้อื่นผู้เขาไม่นับถวยศาสนาแล้วเข้ามาโจมตีศาสนาเราเสียเองเป็นผู้โจมตีศาสนาซึ่งเป็นสมบัติทันล้นชาติของเราทางิตหายไปจากใจของเราเพือแต่ความรุ่มร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาแต่ไม่ทํามีผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรม กับทำกันแค่จริงแล้วสริงรู้สึกว่าห่างไกลทางหรือมากแต่ยังไงก็ตาม <S <S เมื่อเทียบหรือเมืออยกข้อเียบเทียบแล้วก็เหมือนอย่างเราตามรอยเท้าแห่งเธอตัวของโคเองจะอยู่ไปอยู่ในแค่ฐานที่ใดแล้วก็ตามแต่เมื่อผู้ติดตามรอยเท้าของโคไม่ลดละ ก็ย่อมจะสามารพบตัวของเธลนั้นได้มีอาการแห่งศาสนาทุกๆอาการเรียบเหมือนกับร่องรอยของของความจริงของศาสนาเช่นเดียวกับรอยโคเป็นร่องรอยของโผอันแท้ติดแต่ตัวโคแท้ไม่ได้อยู่กับร่องรอยที่เกียบไว้นั้นนั่นเป็นริยาอันหนึ่งของเธล ไม่ใช่ตัวของตัวแท้เรื่องของจากตร์หสนาที่ท่านแสดงไว้นี้ก็เช่นเดียวกันแสดงออกมาทางทฤษฎอาการเพื่อให้เราได้หยิดยกอาการของคำที่เราเข้าใจ น, นั้นนำม า, มาประกอบปฏิบัติผลจะใช้ปรากฏขึ้นกับตัวเองใดรลนาบอัน้น นั่นคือว่าถ้าพอเราตามโคก็ควรจะเข้าถึงตัวของโคโดยลระดับําดับไปแล้วตพิงเข้าถึงตัวของโครอยทั้งหมดที่โคอยากบไว้ น, นั้นก็จะได้ปรากฏอยู่กับตัวของโกเพราะโคตัวหนึ่งย่อมมีเท้ามื อ, อยู่กับโคนั่นเองมีเรื่องของขาตะนาคำก็เป็นขึ้นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าส่วนขาตะนา มาจากไว้ชอบแล้วถ้าเทียบกับโคก็คือ100รอยโคตัวนั้นแน่นอนขอให้ตามไปเถอะเอมื่อไม่ลอนละปล่อยวางจากรอยโคที่เหยียบจัง่งที่เหยียบยัางไปนั้นแล้วจะต้องถึงตัวของโคในการในเวลาหนึ่งแน่นอนมือก็คือตัวขากระทําที่จับไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะติดเพีย้ยนกัป เ พ, พราะผ้ประกาศสารธรรมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงทุกขั้ทุกส่วนทั้งเหตุแห่งธรรมทั้งผลแห่งธรรมการประพฤติปฏิบัติก็ได้ทรงบำเพ็มาแล้วสู่กับพระเจ้าของเราตอนที่จะได้ตรัสรู้พรปรากฏว่าทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างชระทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทรงอะไรเสียนายทั้งหมด นี่ก็ได้จากพระ อ, องค์ตามรอยเท้าห่งโผน่จนจะทั่งได้รู้แจ้งแทงตลอดแห่งความจริงทั้งหลายซึ่งเกียบเหมือนเข้าถึงตัวของโผกเมื่อเข้าถึงตัวของโแล้วอาการของโผกมีอะไรบ้างรูปันนกษรูปร่างาหอนอาตาของโผกเห็นประจับ กับพูดไปพบถึงโคตัวนั้นโดยไม่มีความสงสัยจะนําเรื่องโคนั้นไปพูดในสถานที่เช่นไหนเขาย่อมพูดได้อย่างอาจหางเพราะตนไปเจอตัวโคตัว เ, เองรู้รูปลักษณะผิงสัมงานของโคโดยได้เหลือบทั่วถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่นำศาสนาธรรมออกมาประกาศทั่วโลกเขาย่อมเป็นผู้ที่ทรงทราพแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ในธรรมทั้งคือเป็นฝ่ายเหตุและฝ่ายผลจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมคืออำนาจธรรมจุงได้ทรงประกาศด้วยความองอาจระหารต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นโดยไม่มีความสะทกสะทามแต่ยางใดธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่รับรองสุดส่วน จะปองพระสาตสดาที่ทรงนี้งทรงห่นงประสัตย์แล้วเป็นผู้ประกาศสอนโลกมาโดยทางถึงตัดตบันนี้ถ้าโลกจะมีความใช้ความสนใจต่อเหตุก่อผลแหงพระธรรมทีกาบ ด, ดโลกก็ย่อมจะเลือผลคือความสืบความใจโดยลำทางตนภาพเกิอ สนวนผลรวมเป็นลำดับลำดับผู้ผู้นับถือเน้นปฏิบัตินั้นมีจำนวนมากน้อยเพ่งท่านสอนให้รักษาศีลให้เจริญภาวนาสมาะิภาวนาที่ปัจจนาำเท่ า, น, ทา น, นี้เป็นการเดินตามร่องรอย เพื่อจะเข้าถึงธรรมโดยลําังก์ผลที่เกิดขึ้นจากการความสงบแผงใจก็คือความสงบสุขทั้งใจผล mm. ที่เกิดขึ้นจากการรักษาสี่เฉพ า, กก า, าะ อ, อย่างยิ่งคือสี่งห้าก็ทําให้ผู้นั้นมีความเย็นอดเย็นใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันแกัน มนุษย์เราเป็นตัตที่ขะมากกว่าสัตว์อ่นใดจะไปอยู่ลําทังตนเองก็อยู่ไม่ได้สัตว์เขาอยู่ตัวเดียวเขาอยู่ได้บางประเภทก็มีทั่วมีคล้องมีเครื่อนสูงมากมาแต่มนุษย์นี่มันว่ า, า, าใครๆเสืดในทีดใดโลกในแดนใดต้องหาพวกหาค้องหายาหาอาหางค์เครื่องสูงยุ่งไปหมด ตั้งบ้านก็ตั้งอยู่หลังเดียวไม่ได้ต้องปูเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมามีถนนค้นทางเข้าออกมืรั้วรอบขอบคุดประตูบ้านก็ทำอย่างแน่นหนามั่นคงมือด้วยการจํานวนมากๆเป็นมูบ้านแล้วก็เป็นตนําบลเป็นอําเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศจนได้ตั้งแต่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของมนุษย์ ต้อง่คนเดียวไม่ได้ท่าน้นต้องอาศัยเพื่อนตัง้งอูการรักษาสื่อจรงเพื่อความสงบของตนและส่วนรวมอย่างนี้เราดูด้วยกันก็อันยัดมันยังต้องเห็นคุณค่าของกั น, น, กนและกันรักษาน้ําใจดูใจเราดูใจท่านทุกอื่นเข้ามาเทียดเทียนกันก็ทราบน้ําหนักความรู้สึก ำความสำคัญของกันในกันได้แล้วไม่สามารถที่จะเบียดเบียนแยกสิ่งหรือทําำคำไม่ดีแต่กันให้เสียหายทางทรัพย์สมบัติและทางด้านจิตใจเลิกไปอยู่ได้ด้วยกันเป็นหาสเพราะอำนาจ ส, งสูงเป็นเครื่อรักษาทําเป็นคเครื่องทุบเลี้ยงภายในจิตใจมีความชุ่มชื่นเบิกบานภายในจิตพอใจที่จะรักษาศี่ข้อ น, นั้นๆ ไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูร์ถึงมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากมายเช่ไนไรความสงบสุขของประเทศชาตบ้านเมืองก็ย่อมมีมากเึงง่นนั้นเป็นขั้นแหนงแห่งธรรมแสดงไปดูปดลาหนักําหนักแล้วปฏิบัติแล้วก็ปรากฏเป็นผลที่มาเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำนึกรูที่สัตว์ในโลกของเราซึ่งอาศัยซึ่งการันตดูโดยลําพังไม่ได้ไม่ได้ ต้องอาศัยศ <át> ูนย์ธรรมเป็นเครื่องช่วยรักษาแต่รักษาโดยนำทางตนเองโดยปราชญ์ศูนย์ธรรมเข้าควบคุมเข้าเควบแฝงแล้วจะมีแต่การทะเลาะเบาะแรงแย่งชิงข้าศึกดีโบยแหลกเหลวไปหมดไม่รู้ไทจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์ถ้าพูดถึงเรื่องการก่อความเสียหายแก่ต่างชาติเพราะมนุษย์เป็นผู้ถลายตามผู้สมมุติเสียสังกันซึ่งกั แต่แล้วก็โง่ที่สุดทำมันตรายแต่กันได้อย่า ง, วางาากว้างขวางมากมันก็ถืงนี่แต่เมื่อมนุษย์เรามีความไข่ต่อทำ ม, มีความถูกต้องแน่นอนท่านจะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อความสงบสุขนะครับประพฤติตามนุษย์เรานี่แหละซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถทำคำสึก ให้แต่ตนและผู้อุ่นได้รับอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าสาเสียอีกเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมจึงเป็นธรรมผู้ควรแกร่มนุษย์อย่างยี่เพราะเราทั้นพูดตามหลักธรรมท่านก็นสุดโฉมนุสตติลาโภการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ น, น, ษยนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดไมันด้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายละ่ะถือว่าเป็นเกียรติของเราที่สูงกว่า เมื่อเราสูงกว่าสัตว์เราจะอะไรเป็นสิ่งที่สูงกว่าสัดว์มาเป็นเครื่องกระดับตัวของเงนอกจากตาสนาก็มีอะไรที่จะยิ่งกว่าสัดว์าาก็คือตาสนาตาสนาก็ถูกข้อบังคับทาจับตาเต่า ส, สิ่งที่ไม่ดีนั่นเองระมัดระวังรักษาตัวเองไม่ทํา ความตะโกนตะเวนเสียหายแกตนและผู้อื่นเป็นพูทธตั้งอยู่โดยอัดโดยถังคือความติดตัง้งดุเงาสมกับมนุษย์มีความฉลาดอยู่ด้วยกันโลกก้าวลงความร่มเย็นศาสนาจึงมีความจําเป็นต่อโลกราดใดที่โลกยังมุ่งหวังความสิขความจเจริญอิษฐ์ศาสนาก็แยกจากมนุษย์ไปไม่ได้ถ้าแยกจากมนุษไปเมื่อไร่แม้จะไม่มีหางเหมือนตัดหมูหมูเหมือนหมาข้อตาง มนุษย์เราก็ร้ายกว่าสัตว์กว่หมูกว่าหมาก็่ากเพราะอยูยทอ่ที่ทานจะทําไม่คุ้มอยู่ที่หางโดยใจเมืยงมีทำเป็นเครื่องรักษาไม่มีใครที่เป็นอะไรที่จะมีคุณค่าสวยงามน้าดูน่าชมยิ่งฝันโกภูมิข้าสูนยความเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้มีภูมิสูงพระพุทธเจ้าเที่าทม า, าตรัสเรื่ในโลกก็คือมนุษย์ พระสงฆ์สาวกที่เป็นสาระนักของพวกเราที่สามได้แต่ครังขังเท่านั้นท่านก็เป็นมนุษย์ท่านที่โลกทั้งหลาได้กล่าวว่าดิชาว่าทำมังเทนังคัตสามิชอบคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นผู้พ้นพบแห่งนำเอามาสั่สอนสากโลกเพื่อความร่มเย็นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อสัต แม้พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ทีประกาศศาสนาสอนธรรมสอนเพื่อมนุษย์มากกว่าเพื่อผู้อื่นสัตวอื่นประเทศอื่นๆศาสนาจึงมีความจําเป็นมีความจําเป็นดู ก, กับทุกเทศทุกวัยไม่ใช่จะประจําเป็นจากคนแจกพงงกงานงานซึ่งส่วนจะเข้าโลกภีอยู่แล้วนะมีความจําเป็นด้วยกันทุกยูคทุ ก, ท ก, ทกนา าความสุขความเจริญขาโลกสร้างการด้วยกันไม่มีใครรังเกียจเรื่องความสุขความขมความสุขความเจริญความสงความไม่มากกาลขณะเป็นสิ่งที่โลกสร้างการด้วยกันหาธนธรรมก็เป็นเส้นคิทางเดินเพื่อความสุขความเจริญนั้นนนั้เองไม่มีหาธธรรมในแง่ใดข้อใดจึงจะเป็นการจุดฝังส่วนโลกให้ขาดความเจริญลุ่งลือมหาความ ผลิตไม่ได้เพราะศาสนาเป็นเครื่องทำลายไม่ไม่นอกจากเป็นเครื่องทะยุงจิตใจขยุงหน้าที่การงานความประพฤตของผู้มีศาสนานั้นให้มีความถูกต้องแม่นยําและแน่นหนามั่นคงไม่สิดพลาดยุ่งขึ้นทัไม่มีใหญ่นี้ศาส น, นาเป็นผู้ควรแจกมนุษย์มาเป็นเวลานา น, น จนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่าศาสนามีมาตั้งแต่เมื่อหลวงพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่มื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็พอมากต่อมากเองจึงไม่สามารถที่จะพนฒนได้พระองค์นี้มาตรัสรู้แล้วผ่านไปและพระองค์นั้นมาตรัสรู้การที่จะมาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นกินเวลาไม่น้อยนานแสนนานและเช่นนั้นก็มูทพุทธเจ้ามาตร นองลำดับทำงังกันมาเป็นหแบบค ง, งทั้งซึ้งแบบนี้มีจำนวนมากมากกว่าก็เพราะทำของจริงอยู่กับโลกโลกมีความต้องการความผิดความเจริญเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเหตนทิศทางเดินและเป็นผลที่พึงปราถนาซึงโลกต้องการอยู่เป็นประจำงั้นเลยเราที่จะเจอมาพบพระพุษษาษาษาทธศาสนาก็น้าก็เป็นบุญยราชนึงท้องหล อยบาปล่อยให้ร่างกายจิตใจที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแห่งการสร้างความเป็นนุษย์เพื่อวิญญาที่ต้องผ่านนี้ให้เสียไปยังไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆดังนํานกายวาจาใจของเหล่านี้เป็นพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาและประกอบหน้าที่การงานโดยความถูกต้องท่านจะเป็นผลเป็นประโยชน์แา่ประเทศชาติหนนี้ไปโดยํลหนับนี้ เป็นกานสิ่งของควนแต่มนกษย์สัตว์ตังต้นดนพูดเรื่องทำทำแสบัาษาพนักฐานภาษาธนาธรรักรามเป็นทฤษยาแห่งธรรมเพ่แสดงออกมาในโลกทั้งหลายเลยพอเข้า อ, อกเข้าใจเปรียบเหมือนกับบุคคลตามโดยโกล ให้ทนทั้งหลายฟังธรรมะจอยญางนี้น่าแต่การบำเพ็ญไปโดยลำดับในทางที่ดีเส้นภูมีศรธาเรื่อมใสได้ให้ทานมากน้อยเป็นลำดับลำดก็เพื่อตรงการดำเนินตามสาธารธรรมเพื่อผลอันดีงามที่จะเกิดขึ้นจากเหตุที่ตนทำไว้นั้นไม่มีขึ้นสด ก, การรักษาจุ้นก็เป็นการบำเพ็ญจุญงาทางดีอันเป็นการ ดำเนินตามร่องรอยแห่งตาศาสนมที่ยังผลคือความดีนามให้เกิดขึ้น เ, น เ, นเนสรคนของต่ อ, ตตอการจเจริญภาวนายุ่งเป็นสิ่งสำคัญมากมายต่อที่เราถูสนใจในรักถือประพุทธ ศ, ศาสนาจะเพึ่งนำความจริงของศ า, ศาสนาเข้ามาทดสอบกับสิ่งผู้จอมตลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิต ใ, ใจและกายวาจาที่ตนให้ทราพรบพักประเด็น ว่าฐานะธรรมเป็นความถูกต้องแน่นยรู้ที่เดชปัญหาที่พ่อคุณหัวใจของเราอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีา ง, งามนำศาสนาเข้ามาพิสูจในจิตนี้เราจะเห็นความจอมปลอมของเราเป็นเนื้หัวใจมากน้อยเพียงไหนไปโดยลำดับอันหนักแล้วจะกราสัพพุทฺเจ้าอย่างราบไม่มีาทางต่อสู้ว่าตนนี้เป็นคนรู้คนถนัดนอกจากจะเห็นว่าตัวนี้โง่ที่สุดเท่านั้น ถุงพะองค์จะประนิพานนานไปนสักอย่างไรก็ตาม4ี่ร้อยสีพันปีนก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องสาคัญที่จะมาปกปิดำบางความจริงซึ่งมู อ, อยู่กับผู้ปฏิบัติการหลักธรรมของพระเจ้าไม่ให้รู้จึงเห น, นจริงการธรรมที่องค์ส่งสอนไว้คาว่าภาวนาหมายถึงอะไรผู้ที่ฟังง่ายๆก็คือการคดสตอบ ดูสิยาความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นโรงงานอันใหนโตที่สุดในมนุษย์และสะัตว์ทั่วโลกภาตมีจุดเป็นตัวโรงงานทั้งหัางผลิตงต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีวิธาธรรมะเข้าไปแทรกสิงภายในโรงงานอันั้นโรงงานนั้นส่วนมากเขาจะผิดแต่สิ่งชั่วช้าหลามกออกมาเขาล่นคนเองนและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสม เพราะฉะนั้นการภานาจึงเป็นการคดสอบยูความผุกผุดหนักเบามากน้อยเพียงไหภายในกระแสแห่งจิตทั้งตนที่พิจตุงขึ้นมาแต่ลักษณะขณะตลอดวันตลอดคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นบางทีขณะที่หลับยังระเบอเพ้อฝันตื่นนั่นก็ผกิริยาของจิตอกอกแสดงตื่นสรุปความลงแล้วเรียกว่าโรงงานใดก็ตาม ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าโรงงานของจิตซึ่งทํางานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีการติดไม่มีการพักผ่อนห่อนตัวเองได้บ้างเลยเหมือนโรงงานอื่นๆที่เขาทำกันซึ่งมีการติดบ้างวันเสาร์ว่าทิหรือบังแรงงานอะไรแต่ล้วแต่อันนี้มีจะทํางานอตลอดเวลาในหลักธรรท่านเรียกว่างานของสังฆราชความทุกความตึงชื่อตัวขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งพิเดษตัณหาปัญญาไม่บ่อด ให้มีอำนาจผลักดันจิตใจให้ปรงแต่งขึ้นมาตามความชอบใจทัง้งหมดความปรุงแต่งก็เป็นเครื่องมือของธรรมชาติอันนั้นไปเสียและใาสตรโลกทั้งหลายคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจนหาทางขึ้นสุดไม่ได้แง่จะเป็นความคิดผุดมากน้อยยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ และแจ้ไขโดยถูกต้องพอให้สิ่งชั่วช้าละมทันได้สูญหายไปจากจิตใจนอกจากหลักวิชาคําภีร์คือมูอสติปัญญาเป็นต้นถ้าไปทดตอบตรวจรองดูความทุกข์ุงทั้งตนโดยมีจุตใจจุดมุงเป็นอารมณ์ทั้งใจไว้ก่อนในเบื้องต้นเช่นท่านสอนให้กำหนดธาาพาณสติให้มูลทำและรู้ดูกับลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ ไม่สนใจกับอารมณ์อื่นใด น, นอกจากธนางายให้ติดลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นจิตเมื่อได้ถูกควบคุมด้วยสติความรักษาอยู่เสมกหน่อยแล้จะตั้งหน้าตั้งตาทํางานคือการรู้อยู่กับลมหายใจ น, นั้นแล้วใจเมื่อไม่มีงานอื่นเป็นเครื่องขุดล่าออกไปไม่มีอารมณ์อื่นไม่มีสิมาผลักดันให้ สุดละไปคิดในแนง่ต่างแล้วก็จะรวมตั้งแตแห่งความนี้นั่นเข้ามาสู่จุดอันเดือยคือลมหายใจเป็นที่อาศัยของความรู้และจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบจิตเมื่อเกิดความสงบขึ้นมาก็ย่อมเห็นคุณค่าแห่งความสงบคือความสุขความอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นมื่เราก็จะได้เห็นโทษแห่งความซึ่งสร้างของจิตทึ่งเคยมีมาตั้งแต่เมื่ อ, อไหร จนไม่มีทางยับยั้งได้แล้วสมาบัญัตยัย้งในขณะที่เราภาวนาคือเล็ต่อบจิตใจทั้งตนนิทานนี่เป็นผลอันหนึ่งที่ได้เกิดทางทราบซึ้งต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและต่อการกระทําทั้งตนและจะเพิ่มปริมาณความเชื่อความเลื่อมใสความขยันหมั่นเพียรความอิจฉาพยายามทุกด้านมากขึ้นโดยลำพัง แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจก็จะกลายเป็นของที่มีค่าขึ้นมาภายในตัวของเราเองแต่ตอนถูกกิด้วยชาลามบกศกตกตมมทั้งหลายปกติําบังนีดหุ้มห่อเอาไว้จนมิไม่สามารถที่จะมองเห็นคุณค่าของจิตซึ่งมีคุณค่าอยู่แล้วโดยปกติได้ <c oughs> นั่นทำเนสอนให้อบรมภาวนาหรือว่า การคี่คายการอ่านตัวเองการดูความเคลื่อนไหวผิดสูกทัวดีของตนจากการคิดกามจริงด้วยความมีสติในขณะภาวนาหรือในเวลาอื่นใดก็ตามหลักนี้เป็นหลักใดโตมากของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกับคนโลกคนองสารอันเต็มไปเรยทำเก็ดถ่วงของใยนี้ไปได้เพราะเพราะการภาวนา จะการเป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบ่ายจะตั้งถึงเทวดา ท, วทั้งหลายสัพพะเทวมนุษยานั้นเป็ต้นก็เพราะการภาวนานี่เป็นหลักทั้งการภาวนามีเป็นชั้นชั <c oughs> เรื่อต้นเป็นอย่างนี้หรือท่านผู้ใดมีความชอบในทำบุตรตายตามจริตนิสัยทังตนก็พึอนาทำบุตรนั้นเข้ามาบริกรมรมภาวนา ข้อสาคัญก็คือทามีสติเป็นเครื่องกากับรักษาในขณะที่ทำอย่าให้เผลอไปในอารมณ์อื่นอย่าปล่อยให้จิตคิดตรงนอกผู้นอกทางซึ่งไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าที่อยู่นี้ไม่ใช่งานของตนที่กําลังทําเลยอย่างนั้นบางคับบางชาจิตใจให้อยู่ในกรอบแหงงานที่กําลังทำผลจะถึงปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยเพราะทาเป็นของจริงอยู่แล้วตัวภาระทำจับไว้ ชอบแล้วจรงแล้วตั้งแต่วันพระพุทธเจ้ากลัสรรุรรมาจนมาสร้งถิ่ปัจจุบับบนนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะเรียกเป็นธรรมที่แน่ใจแล้วไม่มีใครที่จะพูดได้โดยถูกต้องแม่นยำทุกประโยคทุกข้อทุกคำเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจึเป็นที่แน่ใจต า, ายได้สองชาวพุทธที่จะพึงกระพุทธปฏิบัติดาเนินตนทั้งตนให้เป็นแต่ตามล่องลอยของศาสนธรรมเพื่อยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่คนมากน้อย การอบรมภาวนาเบื้องต้นดังท่าทิพย์ได้อธิบายผ่านมาเมื่อใจได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วความขยันมั่นเพีย้ยนค่อยเกิดมีขึ้นมาอีกความเชื่อตามความจริงแห่งธรรมก็จะถือความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในใจขณะที่ใจสงบนั่นเองเป็นหลักสำคัญเป็นพยานภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าและสาวกองใดมาเป็นฉักผีพยานเพราะความจริงอยู่กับทุกคน นอกจากเราไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นสิ่งจำลองทั้งหลายที่ปกติําบางความจริงอยู่นั้นให้เปิดเผยตัวออกมาได้เห็นความจริ ง, งเงินแท้จริงถนเราถึงจะคว้านุ่ง้านี้ซึ่งส่วนมากก็เป็นค้าน้ําเหลือหาความสิทธิ์ความจิงไม่ได้แต่เมื่อได้เปิดกลุ่มคุยจบรอบกลุ่มดังทั้งหลายออกจากใจแล้วความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองท่านจรงเรียกว่าสันทุสทิ่โกผู้ปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามหลักทําแล้วจะเป็นผู้เห็นเองปัจจัตังเองดิจับโบวิงินท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้จำเพราะตนทั้งนั้นโดยไม่มีใครมาเป็นตัขกขีพยานเพราะทาเป็นความจริงนี้เป็นความจริงอยู่แล้วและความจริงนั้นมีอยู่กับหัวใจนี้เป็นสำคัญไม่มีอยู่ในที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นใจจริงเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดกับธรรมทุกขั้นจนกระทั่งยิมุตหลุดพ้น ถึงอัตหัดอหังก็คือใจเป็นผู้หยุดพ้นพ้นจากสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายแล้วก็ บ, บริสุทธ์เท่านั้นคือก็ต้องอาศัยหนักทำเป็นเครื่องดั่งใจในว า, าต่อไปเมื่อจิตเริ่มีความสงบปล่มเย็นอันเป็นต้นตุนแล้วเราก็พยายามสั่งสมความเพ็งขึ้นไปเรื่อยๆคุณสมบัติของใจก็จะปรากฏเด่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อาการของจิตก็ค่อยเสี่ยมแกงตัวเองไป อาการคำว่าอาการนั้นไม่ใช่ใใจิตแต่อาการที่มีอยู่กับจิตสัมผัสสั้งพัเยือมหมอจิตใจไว้เมื่อได้รับการอบรมนี้ซักพ่อถือเสมอจะา่เปลี่ยนอาการนั้นจะค่อยเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับต่างๆุึดในค้นคว้าด้วยปัญญาคือการที่จะมาไตร่ตรองเทียบเหตุเทียบผลรูอคาดฉันเป็นสถานที่ทํางาน ภาพถังคิดตะกุนนาคอันนี้มีอะไรบ้างซึ่งมีอยู่กับทุกกนพอที่จะแยกแขะแยกผลแยกภาพแยกถันี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่ด้วยกันมาดังเี้ออกให้เห็นอย่างชัดเจนไปเลยอย่างหนึ่งหากพูดถึงเรื่องอันนี้จังมีสภาพส่วนใดที่เป็นของเพ่ยแค้ถ้าวอนในความเป็นการของเรานี้อยู่ตลอดไปไม่รากฏ บูอะไรก็มีแต่เรื่องอนิจจังซึ่งเป็นของไว้ใจไม่ได้พูดถึงเรื่องความทุกข์ตามหลักสมมุติของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็กนนกทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยูก่ก็กทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์เราอยู่ในวงกรอบของทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์ครอบสกุลนาคนาและจิตใจอของเราอยู่เท่าไหร่คำว่าอนาตาเราจะถืออะไรเป็นตนเป็นตัวเป็นสักเป็นบุตรตนเป็น เขาเป็นเราได้จากท่าของสิ่งนี้เป็นต่เพียงผู้อาศัยหรือเครื่องอาศัยกันไปทั่วระยะการเท่านั้นกบผ่ามกันไปในขณะที่เป็นรูปสร้างอยู่นี้เราเรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจับเป็นบุคคลความจริงก็คือส่วนผสมของท่าต่างๆที่มารวมตัวเข้าโดยอาศัยจิตนี่เข้าเป็นตัวการแล้วจับจองเอาเป็นเจ้าของอีกด้วยวนนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราแต่เชื่อจับจองเอาหมดส่วนความจริงจะเป็นหรือไม่เป็นข้อ่าง แต่เจ้าพวนี้เป็นไปจับจอ ง, งเป็นเจ้าของทั้งทังที่เขาไม่รับทราบว่าเขาเป็นสมบัติของตอนหรือไม่ก็ตานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นเมื่อสุล่านั้นแปรสภาพไปจากความต้องการด้วยความประสงค์หรือเจตนาของ ต, องตอนโค่นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของธาตและความเปลี่ยนแปลงของจุดที่สั้มพันธ์ไปจังกัท่านจึงสอนให้จุกน า, าให้รู้เรื่องเหล่านี้นตามความจริงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ น, นปส่วนยูบคือกายทั้งกายนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนเวทนา ทุกเวทนาก็ตามทุกเพทนาก็ตามทเทย์เถย ก, ก็ตา ม, ะามจะเป็นเวทนาทางใจก็ตามเวทนาทางตายก็ตามมันเป็นเรื่องอนันจังทุกขังอัตตาเป็นสระภาคนึงหนึ่งซึ่งอาศัยกิตจิตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่แห่งหนามันคงพาวอนข้อที่จะตายใจยึดถือสิ่งนั้นได้ตลอดไปบนการพิจารณาให้เข้าใจตามหลักความจริงแล้วต่อวางไว้ตามประภาพของมันนี่เรียกว่าปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงข้อความรู้จริงเหมือนจิต ตลอดทุกอาการของจิตที่คิดไปในแง่ต่างๆนันก็เป็นอาการอันเมื่อเราใช้ปัญญาที่จะนาทดสอบอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอถ้าดูปัญญาถึงจะล่มลุกทุกข์ทางนั้นก็ตามแต่การอาใช้การสุขหัดอบรมอยู่เสมอย่อมมีความสามารถแก้ท่านแค่เดียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ไา้โดยลําดับลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตจฉริยะหรือมหาสติมาปัญญาทำรู้รอบตัวพิ่จะณาเคลื่อนไหวไปตามสิ่งต่างๆที่แสดงตัวออกมาได้ทันช่วงที แล้วสามารถขอดถอนสิ่งที่เป็นสมมติหรือสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตอนนั้นออกได้โดยที่ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะดูที่ไหนก็ตามก็รืะคือเป็นผู้หมดภัยหมดกรรมหมดเรณเหมืความทุกข์คํามลำบากซึ่งเคยกดทวงจิตใจมานานแต่เรื่องความทุกข์ในภาพในขันนั้นเมื่อภาพรันมันเป็นกองทุกข์อยู่แล้ว ทำไมมันจะไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์แต่จิตก็ท่าบตามความจริงของทุกข์ไม่ก่อยให้ทุกข์นั้นมาครับผมจิตใจให้เกิดความเด็ดร้อนขึ้นอีกเป็นทุกขั้นที่เรี่าทราตามความจริงเมื่อท่าตามความจริงทั้งภาพทั้งสูสุน้ําลมไาทั้งขันทุรุษประขันเทนาทัญญาทั้งสามอย่างโดยตลอดตว้ถึงกระทั่งถึงจิตที่ ที่เดชอาสาซึ่งนอนเรื่องอยู่ภายในจิตใจก็ส้นนอกเกาะอาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้บริกบุดถ้าจะเรียกท่านว่าเบิกบุดผู้อไม่เรียกท่านก็ไมีปัญหาเพราะท่านขึ้นแต่เรื่อในบรนบรดาที่อัในใดใดที่เป็นปัญหาท้าว่าปัญหานั้นก็คือสูงสมมุติอันหนึ่งที่จะทําความเข้าใจแต่คนในตับทั่วไปนั่นแหละการแก้ที่เดชจึงแก้สิ่งใดนี้ทั้งหมดแล้วก็หมดปัญหาไปโดยที่เดช มั่งหมดแล้วเป็นอย่างไรนี่แหละท่านว่าทำแท้ที่ทำโดยสมบูรณ์ได้ใจจิตกับทำเป็นอันเดียวกันเป็นเอจีพ้าทำคือจิตจิตคือทำว่าทำก็แล้วจิตว่าจิตก็แล้วรทำไม่มีปัญหาเพราะปัญหาไม่ใช่จิตตรงนี้เหลือแต่หลักธรรมาชาติที่เป็นคนวามจริงความจรินกับความจริงที่ย่อมไม่มีการทะเลาะกัน ไม่มีการกระทบกระเทืนกันนอกจากของฟองกับของจริงนั้นเสียงกันวันยังครับำการปฏิบัติต้นให้ถึงขั้นความจรินได้รูไหนก็จิงทีวิยังมีอยู่ก็ทราบก็มีอยู่แต่ถภาพไปก็ทราบว่าสิ่งเราธรรมชาติที่เป็นของแปงที่มันแฝงของตัวของมั น, นมันซุ่งจุดลงไปจากความผสมที่แตกสลับลงไปก็ทราบว่าเวลานี้มันแตกทลายทุกกับจะกอนที่มันประทุกันหรือผสมกันอยู่ ก็ทราบความหลักความจริงไม่เอีงเอียงไม่หลงหลับไม่ยุ่นวายไปตามสิ่งนี้เป็เรียกว่าหุ่ยนตัวเองทดสอบตัวเองจนเข้าใจการความจินของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามรสภาพเมื่อถึงการแล้วจะแตกสลายก็สลายไปอรรมาติอันหนึ่งที่เป็นอุดมะที่เป็นตัวของตัวนั้นย่อมไม่สลายไปด้วยนั่นแหละท่านเรียกว่าอมตะธรรมไม่มีปัจจัไม่เช้ามาวกเวีย็นเกิดยันตายที่เป็นเรื่องของกองทุกข มันตองไปเที่ยวหาจับจองปากะยีดต่อไปถึงท่านมีท่านเยถึงข่านหรืม่ยุคพวกนี้โดยต่างกันหมดเนี่ยพระพระธรราท่านสอนโลกสงสารั่ตั้งแต่ทาขั้นต่วทมสุขท่านต่ำจนกระทั่งถึงความสุขถึงทำความสุขและทํามันสูงสุดยอดถึงท่านนี่ทนยทำจริงเป็นทำอัศจริ นี่แหละคือําแท้สาธาทําก็นําออกไปจากทาแท้นี่แหละผู้เผยพระเจ้าได้ประกาศสอนโลกเราะอาการจากธรรมะนี้เป็นอาการออกไปสอนโลกให้ทราบและตามร่องรอยตามทียาตามอาการนั้นเข้ามาเข้ามาตกระทั้งถึงตัวติอาการทั้งหมดก็ปล่อยไปได้เช่นเดียวกับเราปล่อยรอยโกเพราะพบตัวของโกแล้วร้อยล้านนั้นจึงไม่มีปัญหาอาการอย่างทำมีเท่าไหร่ก็สร้างหมด เราทราบตรงแห่งธรรมโดยแท้จริงแล้วเขาตัดตัดนี่เป็นอย่างนีเนี่ยเรื่องศาสน า, าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ต้อง ร, รู้สาวกองค์ใดบังลุต้องบรรลุถึงธรรมขั้นนี้จึงชื่อว่าธรรมสุดยอดบุคคลสุดบุคคลยอดาศาสนาสุดยอดก็คือสอนถึงเรื่องธรรมจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอด ตามแสดงฟังก็เห็นว่าสังเกตแต่เอยในวาระต่อไปนี้พระท่านที่ฟังสงฆ์มีข้อข้องใจวลาส่วนคนศึกษาครยก็เปิดโอกาสให้พัฒนาัารต่างๆพูนขอญุติทางเชิง